ภาษาสดาเมื่อประทับอยู่ที่ในพระเชตวันปารบพรามคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ได้ยินว่าพรามคนนั้นเป็นมิจฉาทิฐิแปลว่ามีความเห็นผิดวันหนึ่งไปสู่ฝั่งแม่น้ำแล้วก็ถางนาอยู่เรียกว่นานานี่มันรกใช่ไหมต้องถามซะก่อนภษาสดาเห็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขาจึงเสด็จไปสู่สานักของเขา พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีตาที่ลึกมากก็บอกว่าดูภาชนะโสมโสมสักใบหนึ่งโอ้ยใบนี้มีแสงสว่างนะฮ้เดี๋ยวไปไปล้างล้างให้ัสะอาดๆแล้วก็เปิดซะมจะได้สว่างเนี้ยพระองค์เนี่ยเก่งอย่างนั้นคนทั่วไปมองโอ้ยนี้มืดบอดสนิทนะ่างั้นแต่พระองค์เนี่ยตาถึงอย่างนั้นเนี่ยมองเออเนี่ยมีความสว่างอยู่ในตัวนะเหมือนกันเดี๋ยวเอาไปชําระซะหน่อยแล้วทีนี้พระองค์ก็เลยไปสู่สํานักของเขาอะนะไปเยี่ยมเข้าที่เขาทํานานั่นแหละ เข <kę> าเห็นภาษาสดาก็ไม่สามีจีกรรมแปลว่าไม่ไหวไม่อะไรสักอย่างหนึ่งเห็นเออมาเลยสมณนเออก็สมมนา ส, สิพระเลยเออก็พระนีนั่นน่ะครั้งนั้นภาษาสดาก็ทักเขาก่อนว่าพราม์ท่านกนําลังทําอะไรนะถึงคุยก่อนเลยนะชวนคุยพรามก็บอกพระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้ากําลังเทาง้าถังนาอยู่ภาษาสดาตรัสเพียงเท่านั้นแล้วก็เสด็จไปอ้าผ่านไปในวันรุ่งพระองค์ก็เสด็จไปสํานักของเขาอีก เขาเนี่ยก็มาเพื่อจะไถนาเขาก็จูงวัวจูงอะไรมาจะไถนาพระองค์ก็ถามว่าพราหมณ์ท่านทําอะไรอยู่นะพระามก็บอกว่าพระโคดมพูเจริญข้าพเจ้ากําลังไถนาอย่างนี้แล้วก็ไปพระองค์ก็ไปถามเออไถนาเลยเออไถนาก็ไปวันหลังพระองค์ก็ถามอย่างนั้นก็บอกว่าพระโคดมผููเจรินข้าพเจ้ากําลังวานวันหลังก็ไปถามอีกกําลังทําอะไรกําลังไถน้ําเข้าน้าอย่งั้นอ่าก็ไปวันหลังไปอีก ถ้าไม่ได้มาดูแลข้าวว่งงางั้นมารักษานะดูที่ว่าพวกมแมลงพวกอะไรมันลงหรือเปล่าน้ําท่วมไปไหมอะไรไหมก็เปิดปิดน้ําอะไรเข้านะ่ะเข า, าชาวนาเขาก็ดูแลนาของเขาไขถาน้ําเข้าตามกาลเวลาทีนี้วันหนึ่งนะก็คือคุ้นเคยกันมากแล้วนะเจอกันบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เลยกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระโคดมผู้เจริญท่านมาแล้ว ตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าแพร่ถังนาสนึกได้ว่าเจอพระพุทธเจ้าครั้งแรกวันไหนอู้วันลงมือทํานาครั้งแรกเลยเออพระโคดมเหมือนกันถ้าข้าวกล้าของข้าพเจ้าจักเพลิดผลข้าพเจ้าจักแบ่งปันแก่ท่านบ้างถ้าหากว่ายังไม่ให้ท่านข้าพเจ้าเองก็จะไม่เคี้ยวกินเลยนะถ้าข้าวนี่มันออกรวงสุกเบ็ดเสร็จนะเก็บเกี่ยวแล้วถ้าหุงข้าวสุกเมื่อไหร่นะทำไม่ให้ท่านกินก่อนนะข้าพเจ้าไม่กินหรอกเหมือนกันตั้งใจเรียกว่าสนิทสนมกันเต็มที่ นะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปท่านเป็นสหายของเราเออเราเป็นเพื่อนกันนะอะ <c oughs> ทีนี้มันแค่มันคนละาศาสนากันใช่ไหมอยู่คนคนละาศาสนาเ อ, อเพื่อนก็เพื่อนอา้าวเพื่อนอไม่ว่าอะไรก็ย่างทีนี้โดยสมัยอื่นอีกข้าวกล้าของพรามนั้นก็ผลิผลแล้วเมื่อพรามนั้นทํากิจทั้งปวงเพื่อการเก็บเกี่ยวด้วยตั้งใจว่าข้าวกล้าของเราเนี่ยผลิดผลแล้ว เราจะเกี่ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะข้าวนี้สุกเรื่องอารามเต็มท้องละทีนี้ก็อกพรุ่งนี้มาเกี่ยวและวได้เลิกแล้วงั้นได้เลิกเกี่ยวข้าวนะทางทางคนทํานานจริงเขาก็ดูโรคดูยามกันนะเวลาจะเกี่ยวเนี่ยเขาจะดูนะวันไหนควรเกี่ยวดูช่วงไหนควรเกี่ยวเออช่วงนี้ยังไม่เหมาะที่จะเกี่ยวช่วงนี้ข้าวยังสุกไม่ดีแต่ได้เลิกแล้วอ่ะก็เก็บเกี่ยวไว้ก่อนสักนิดนึงนะวันหลังก็จะได้มาเกี่ยวเขาก็มีเรื่องของเ้าอ่ะนะ ตกคืนนั้นมหาเมฆยังฝนให้ตกลงตลอดทั้งคืนคืนนั้นฝนตกหนักนะก็ท่วมบ่าพาเอาข้าวกล้าในนานั้น น, น, น, นนะที่ทำไว้ตกทะเลเกลี้ยงนะก็คือนาข้าวเนี่เสียหายเสียหายหมดเลยน้ำท่วมพัดไปเกลี้ยงเลยนะภาษาสดาทราบแล้วในทีแรกทีเดียวพระองค์รู้ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะ ก็ว่าข้าวกล้านั้นจะไม่ลผลิตผลอย่างนันสรุปแล้วข้าวนี้ไม่ได้กินอกพออง์ก็รู้ตัง้งแต่วันทางแล้วล่ะแต่พระ อ, องคนะ์ไม่บอกนะบอกท่านทาไม่ได้กินอกไม่ไม่บอกนะน่าจะบอกกันนั่หน่อยนะอุตสาหกรรมนัเหนื่อยแต่พระ อ, องค์ไม่บอกพระ อ, องค์รู้ ร, รู้อัธยาศายรู้ว่าอะไรควรไม่ควรก็ปล่อยให้ทําไปบางคนนะั่นต้องปล่อยให้ทําให้เข็ดนั่นแหละจึงจะรู้ตัวบอกเขาไม่ได้นะบางคนเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆริพรามแล้วก็ องค์ก็ไปแต่เช้าตรูด้วยคิดพรามคนนั้นนะะก็ไปไปเยี่ยมนาแต่เช้าตรูว่าไปดูข้าวกล้าอ้ข้าวเราเป็นยังไงนะฝนตกทั้งคืนในใจไม่ดีเลยนะไปถึงก็เห็นแต่นาเปล่านาเนี่ยว่างสะอาดเลยนะเหลือแต่ดินล้นล้วนต้นข้าวสกเลืองอารามเนี่ยหายหมดเกิดความโศกเป็นกําลังก็เลยคิดว่าพระสมมาณโคดมเนี่ยมาสู่นาของเรา คิดถึงแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่ได้คิดถึงว่าเสียหายอย่างอื่นเท่าไหร่หคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านเนี่ยมาตั้งแต่คราวที่แพร่ถางนาแม้เราก็ได้กล่าวกับท่านว่าเมื่อเข้ากล้าบเพล็ดผลแล้วจกแบ่งส่วนใ ห, ให้แก่ท่านบ้างนี่ก็ยังไม่ได้ให้ท่านแล้วเราเองก็ยังไม่ได้เคี้ยวกินตั้งแต่นี้เป็นต้นไปท่านเป็นสหายของเราความปรารถนาในใจของเราแม้ น, นั้นน่ะไม่ถึงที่สุดเสียแล้วเสียใจมากที่ไม่ได้เลี้ยงข้าวพระพุทธเจ้านะไม่ได้เสียใจอย่างอื่นเท่าไหร่หรอกเสียใจที่ไม่ สามีมีมิตรกับมีเพื่อนกับเขาสักคนหนึ่งะจะเลี้ยงข้าวเพื่อนสักมือหนึ่งเนี่ยนั้นหมดเลยอ่ะเสียใจอ่ะนาพราหมณ์นั้นทําการอดอาหารแล้วก็ไปนอนบนเตียงเสียใจมากครั้งนั้นพระาศาสดาก็เสด็จไปสู่ประตูเรือนของพราหมณ์นั้นพราหมณ์นั้นทราบการเสด็จมาของพระาศาสดาก็เลยให้ชนผู้เป็นบริวารว่าพวกเธอจงนําสหายของเรามานั่งในที่นี้เออไปชวนเพื่อนเรามาแล้วเนร็ว มหาชนชนผู้เป็นบริวารก็ได้ทําอย่างนั้นพระศาสดาประทับนั่งตรัสถามว่าพรามไปไหนเขาก็กราบทูลว่าอยู่ในห้องพระเจ้าข่าวหมือนกันพระไม่นายโอ้นอนสมอยู่ในห้อ ง, องนั่นแหละไข้ขึ้นหนระืมั้งแล้วก็รับสั่งหาด้วยพระพุทธ ร, รํรัมว่าพวกเธอจงเรียกพรามนั้นมาแล้วก็ตัสพรามผู้มานั่งนะที่ควรส่วนหนึ่งว่าเป็นอะไรพรามาพรามก็บอกพระโคดมผู้เจริญท่านมาสูนาของข้าพเจ้าตั้งแต่วันแพวถาง แม้ข้าพเจ้าก็ได้พูดไว้ว่าเมื่อเข้ากลา้าเพลิดพนก็จะแบ่งถวายท่านบ้างความปรารถนาในใจของข้าพเจ้าไม่สําเร็จเสียแล้วเพราะเหตุนั้นความโศกจึงเกิดแก่ข้าพเจ้าแม้พัดข้าพเจ้าก็ไม่หิวตอนนี้ไม่หิวเลยว่ากั้นภาษาสดาก็เลยตรัสถามพรามนั้นว่าพราหมณ์ก็ท่านรู้ไหมความโศกเนี่ยเกิดแล้วแก่ท่านเพราะอาศัยอะไรของพวกเราตอบได้เลยนะถามนั้นเขายังไม่ได้ฟัง ธรรมะมาก่อนนี่ใช่ไหมก็เลยตอบไม่ได้บอกพราหม์ก็เลยกราบทูลแบบพระโคดมพูดเจริญข้าพเจ้าไม่ทราบเออท่านทราบหรือมา พ, พูดถึงเจ้าคืนพระเจ้าตรัสว่าอย่างนั้นพราหม์งก็ตรัสว่าความจริงอ่ะความโศกก็ดีภัยก็ดีเมื่อจะเกิดย่อมอาศัยตัณหาเนี่ยเกิดขึ้นตัณหายชายตีโศกตัณหายชายาตีพะยัง ตันหายะวิปมุตตัสรนัติโสโกกุโตพยังความโศกย่อมเกิดเพราะตันหาภัยย่อมเกิดเพราะตันหาความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากตันหาภัยจักมีแต่ที่ไหนตันหาเกิดเกิดที่ไหนตันหาเกิดที่ไหน ที่ใดเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่นั่นแล่ใช่ไหมอาศัยตากับรูปจึงเกิดญญจับขูวิญญาณความประชุมของธรรมะ ส, สามประการเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีวเวเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเอตันหาตรงนั้นยินดีในอะไรตันหาที่ว่าเนี่ยยินดีอะไร ยินดีในสียินดีในรูปนะเขาเรียกว่ารูปปตัตนหาปัาตันหาแบบนี้เรียกว่ารูปปตัตนหานะหูกับเสียงเกิดโสตะวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภ า, ภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาตัวนั้นเนี่ยเป็นตันหาที่ยินดีในเสียงนั่นแหละนะนะยินดีในกล่นในรสในโพธาภะและธรรมรมก็เหมือนกัน นันคําว่าตัณหาได้แก่ตัณหาที่เป็นภายในทวารหก็คือตัณหาที่ยินดีในอารมณ์ทั้ง6ยินดีทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งโภตาภะและธรรมอารมณ์ก็บอกว่าความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากตัณหาพ้นจากตัณหาพ้นได้อย่างไงนะตัณหาเกิดเกิดที่ไหนนะที่รักที่ชอบใจใช่ไหม แล้วตันหาถ้าจะละละที่ไหนละที่ของรักของชอบใจเอ๊ะแน่นะคิดนะว่าเออที่ไหนที่รักที่ชอบใจเนี่ยถ้าละก็ต้องละตรงนั้นเนี่ยละยังไงนะจะละตันหาละได้ด้วยอะไรใช้คํว่าละใช่ไหมละนี่แปลบาลีคืนว่าประหารนะประหารนะละด้วยหนึ่งนะตะทางค่ประหาร หรือวิคัมพนะประหารและด้วยแต่ทางค่าประหารก็คือปริญญาสามนั่นะต้องทำปริญญาสามในสิ่งที่เรารักนะชอบในอะไรยึดถือในอะไรก็ทำปริญญาตรงนั้นแหละอ่นะถ้ายึดถือในในกรร ม, มชโ่วอ่ะก็พิจารณาเรื่องกรร ม, มชโรวให้มันเจ้งๆเลยแต่แล้วมันก็จะเริ่มละคลายจริงๆ กล่าวไว้ว่าที่สับว่าปิยรูปสาตารูปใช่ไหมครับที่รักที่ชอบใจก็คือปิยรูปสาตารูปแล้วปิยรูปสาตารูปนี้ก็ไม่จำเป็นต้องรูปเสมอไปใช่ไหมครับคำว่าตรงนี้เนี่ยหมายถึงอารมณ์ของตันหาไม่ได้หมายถึงรูปารมณนะไม่ใช่รูปารมณ์แต่คําว่ารูปในที่นี้ก็คือสิ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจของตันหาทุกชนิดน่ะเรียกว่าปิยรูปสาตารูปนั่นแหละอันผู้ที่เปลื้องความยินดีจากอารมณ์เหล่านั้นแหละ อาจจะเปลืองได้นะต้องเห็นอารมณ์นั้นๆอะ่ะโดยความเป็นของร้อนจริงๆอะ่ะจนกว่าจะเห็นว่านาฬิกานี่มันไฟอะ่ะจึงจะวางนะถ้าไม่เห็นเป็นไฟนะไม่วางอะ่ะนะไฟเผาวัตถุภายนอกก็คืออะไรบ้างใช่ไหมเซ็งภายนอกนะก็มีความแตกทำลายเป็นธรรมดานะเขาบอกว่าราชรถก็ยังเก่าคร่ำคร่า ใช่ไหมรถที่วิจิตพิสดารยังเก่าข้ามข้าแตกทาลายไปได้แล้วร่างกายเหล่านี้ที่วิจิตอย่างนี้อยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้ถ้าเห็นภัยมากๆขึ้นก็จะถ่ายถอนความยินดีในในสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นข้อปฏิบัติก็ต้องเห็นโทษนะดังนั้นคนต้องเห็นโทษในสิ่งนั้ น, น, นจๆจริงๆจึงจะละคลายในสิ่งนั้นได้ น, นะใฟังดูอย่างนี้เนี่ยท่านกล่าวถึงญาณ น, นะสูงทีเดียวนะครับหรือถ้าเป็นปิญญาก็เป็นหน้าปัญญาแล้วนะครับ ป, ะ ห, นะปะหานะปะหานะาปัญญาเลยนะเจริญ พ, พรเพราะว่าพอจบปั๊บพราหมณ์เป็นพระโสดาบันเราก็ได้ฟังเรื่องหนึ่งนะได้บุญแล้วละ่ <c oughs> นะเพราะฉะนันอีกเรื่องหนึ่งนะว่าพระองค์เนี่ยฉลาดปลอบใจนะปลอบใจจนเป็นพระโสดาบันเลยนะ ของเราร้องไห้หลายครั้งว่า อ, องค์ไม่มาปลอบใจเลยนะบุญไม่พออ่ะทําบุญไว้เยอะๆคือพ อ, องดูแลถึงมาปลอบมันก็ไม่มีแสงสว่างอยู่ข้างในอ่ะไม่รู้จะมาล้างทําอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมอ่าคนที่พระองค์ไปปลอบนั้นอ่ะคนนั้นต้องเป็นภาษาวกนั่นแหละเครียกว่าเป็นสัตว์เป็น พ, พระพสัตวใช่ไหมเป็นสัตว์ที่โปรดขึ้นอ่ะนี่ถ้าโปรดไม่ขึ้นอ่ะไม่รู้จะมาทําไมดีไม่ดีมาถึงพระพุทธเจ้ามาปั๊บเราเกิดไปมีจิตไม่ดีกับท่าน mm hmm. บาปเลยอ่ะแทนที่จะได้บุญกลับบาปหนักกว่าเก่าเอง ดังนะ้นเราสะสมอุปนิสัยให้มีศรัทธาในคุณของท่านมากๆขึ้นถ้ามีใจผูกพันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากนะศรัทธาท่านมากเดี๋ยวเราก็ได้เกิดเห็นท่านนั่นแหละเราก็จะได้เกิดเห็นท่านเพราะว่าผูกพันในสิ่งไหนก็จะไปในสิ่งนั้นะผูกพันในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่นานจะได้พบท่านแน่นอนรออดใจรออีกหน่อยเดี๋ยวคนอายุแปดหมืนปีเท่านั้นแหละ อีกเรื่องหนึ่งนะว่าอภัยราชกุมารสูตรเนี่ยอภัยราชกุมารเนี่ยก็คืออภัยราชกุมาร น, นั้นก็เป็นลูกของพระเจ้าพิมพ์พิสาร น, นั่นแหละ <c oughs> ได้ยินว่าอภัยราชกุมาร น, นั้นไปปราบปรามปัด จ, จันตะชนบทให้สงบมาแล้วพระเจ้าพิมพ์พิสารผู้พระบิดาก็ทรงพอพระทัยพระราชทานหญิงฟ้อนคนหนึ่งผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับแล้วก็พระราชทาน ให้ปกครองราชสมบัติสิ้นเจ็ดวันนะลูกคนนี้เก่งมากเหมือนกันสามารถไปรบชนะมาเมื่อลูกเนี่ยไปปราบปรามเขาเรียกว่าไปทําให้สืบสงครามเนี่ยสงบลงมาได้เก่งมากก็เลยยกผู้หญิงให้คนหนึ่งเลยเขาเรียกว่าเป็นที่หมายตาของคนทั่วไปนะยกให้ก็ถือว่าเป็นนางที่งามพิเศษฉลาดในการร่ายรำที่ดุรนะิษะเสร็จแล้วยกให้ปกครองบ้านเมืองเจ็ดวันนะให้เป็นพระราชาเจ็ดวันเหมือนกันเลย อภัยราชกุมารนั้นก็ไม่เสด็จออกภายนอกพระราชมนเทีรนเลยสเสวยสิริแห่งความเป็นพระราชาสิ้นเจ็ดวันนะก็ได้มีนางรำมีเหล้ากินมีอะไรก็เพลินอยู่ในวังนั่นแหละเจ็ดวันนี่นะเสร็จแล้วก็เสด็จไปสู่แม่น้ำในวันที่แปดก็สงสาแล้วก็เข้าไปสู่พระอุทยานนะจะไปเที่ยวครัง้งสุดท้ายในสวนอีกก็ชวนบริวาร น, นางสนมกำนันอะไรไปเที่ยวกัน ประทับนั่งทอดทะเนลการฟ้อนรําขับร้องของหญิงนั้นเ่็นะหนั่งดูร่ายรํา็คือคนชอบการร่ายรําอ่ะนะขนาดนั้นนั่นเองอ่็นะแม่นางก็ขณะที่ร่ายรำเนี่ยเคยเห็นคนอินเดียร้องรํำไหมอินเดียรำกับไทยรําเนี่ยนะไทยรําเนี่ยรำเจ็ดวันก็ไม่ตายอินเดียเนี่ยร่ายราโดดไปโดดมาเนี่ยแหละช็อกตายกันนะนั้นแหละ คำว่าตายด้วยอํานาจของลมกล้าดุดสาตรานะคนนี้เดียรํานี่รําเหนื่อยจริงเลยนะรำแบบเวีนเดียรนะี่นั่นแหละทีนี้มันลมมันเสียดขึ้นนะลมเหมือนกับอาวุธเนี่ยก็เสียดแทงเข้ามาตัดขั้วหัวใจนั่นแหละตายเหมือนหญิงฟอ้อนของสันติมหามาัตพระกุมารก็มีความโศกเกิดขึ้นแล้วเพราะกาลกิริยาของหญิงฟอ้อนนั้นนางตายแล้วทํำยังไงก็คือเรียกว่าหลงรักนางคนนี้มากานะก็เลยคิดว่า ผู้อื่นเว้นภาษาสดาเสียก็ไม่อาจเพื่อจะให้ความโศกนี้ของเราดับได้นะคนเรามองอยู่อย่างนี้นะมองเป็นเรื่องเล็กๆ เ, เลยนะคนที่เขามีความรักอย่างนั้นก็จริงๆเขาไม่เล็กกับเรานะเรื่องเราเขาใหญ่โตนะฝากฝังตรงนั้นหนังมากมายมหาสารอย่างนี้แล้วก็เข้าไปเฝ้าภาษาสดากราบทูลว่าพระเจ้าค่าขอพระองค์จงให้ความโศกของข้าพระองค์ดับเถิดอู้มันทุกข์เหลือเกินว่างัน ภาษาสดาก็ทรงปลอบพระกุมาร น, นั้นแล้วก็ตรัสว่ากุมารก็ประมาณแห่งน้ำตาทั้งหลายที่เธอร้องให้ในการแห่งหญิงนี้ตายแล้วอย่างนี้นี่แหละให้เป็นไปแล้วย่อมไม่มีในย่อมไม่มีในสงสารซึ่งมีที่สุดอันใครๆรู้ไม่ได้นะร้องให้อย่างนี้เนี่ยมันไม่มีประมาณแลว้วอ่ะที่มาเสียใจเพราะหญิงคนนี้เนี่ย ในสังสารวัตรที่เวียนไหวตายเกิดเนี่ยหมดน้ำตาไปเพราะคนเดียวเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงทราบที่ความโศบนั้เบาบางนะพระ อ, องค์ก็แสดงให้ฟังวนะ่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้องไห้เพราะหญิงคนนี้มาแต่ชาติเดียวหรอกนะเพราะคนนี้ตายจากชาติที่แล้วถ้าเคยรักผู้หญิงคนนี้ก็ร้องไห้อย่างนี้แหละชาติก่อนหน้านี้เคยรักก็ร้องไห้อย่างนี้แหละถ้าสะสมเนี่ยร้องไห้ครั้งหนึ่งน้ำตาขี้หยด อมหลายหยดเหมือนกันนะเก็บเก็บเนี่ยชาติหนึ่งนั่นก็นเกิดยามตายนี่ได้ทั้งแก้วหนึ่งนะว่า ช, ชาติหนึ่งแก้วหนึ่งชาติหนึ่งแก้วหนึ่งถ้าแสนชาติละก็แสนแก้วแล้วใช่ไหมกี่ลิตรลวทีนี้มันวัดตระสงสารมันไม่ได้แค่ชาติเดียวใช่ไหมไม่ได้แค่แสนชาตินี่มันเป็นแสนโกดชาติอ่ะไม่รู้คูณเท่าไหร่อีก ทีนี้มันก็อย่างว่าสะสมมาชาติละแก้วชาติละแก้วชาติละแก้วเนี่ยโอ้โหมากกว่าน้ําใน<ม>ทะเลมหาสมุทรมันประมาณไม่ได้ว่าน้าตาเนี่ยมันเท่าไร่แล้วอ่ะพระองค์ก็เลยตรัสเทศนาต่อว่ากุมารอย่าเศร้าโศกเลยข้อนั้นเป็นฐานะที่จมลงในคนพาลทั้งหลายการเศร้าโศกนั้นเป็นการจมลงของคนที่ภาละผู้พาลก็คือผู้ไม่รู้แจ้งทรสัจจะทำ องค์ก็ตรัสว่าเอทะปัตสมิทังโลกังจิตตังราชารัถูปมังยัตถะพาลาวิสีดันตินัตถิสังโฆวิชาณตังท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้นะมาดูโลกโลกไหนโลกนี้โลกนี้นะโลกนี้โลกไหนชี้ไปที่ไหนโลกนี้แหละนั่นแหละ ลองดูนะโลกนั้นเนอะาพระเอากระจกมาส่องมาตั้งข้างหน้าปุ๊บจะเห็นโลกนั้นชัดเจนเลยนั่นแหละจงดูโลกนี้อันตราการดุดราชรสที่พวกคนเขลาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องไม่นะคนพาลเนี่ยเขาหมกอยู่อย่างงี้แหละแต่ว่าบัณฑิตหรือผู้รู้เขาไม่ไม่ค่องอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสว่าอิมังโลกังใช่ไหม จงดูมาดูโลกนี้โลกนี้ได้แก่อัตภาพเกล่าคือขันธโลกนะขันธโลกถ้าใช้คําว่าขันต์ปั๊บเนี่ยนะปริญญาต้องไม่ทิ้งนะนะปริญญาสามต้องเข้ามานั่นแหละแต่คําว่ามาดูใช่ไหมมันดูมนไม่ใช่วบบดูแค่เออเห็นแล้วสองเองยกระจกเห็นแล้วเรนะเห็นแค่นั้นมันจะไปรู้อริยสัจอะไรเนาะมันต้องเห็นมากกว่านนะั้นเห็นยังไง เห็นว่าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปมีกี่อย่างรูปคือภูตรูปกับอุปาทายรูปนะภูตรูปมีกี่อย่างสี่อย่างปัทวีปัท ว, วีมีกี่อย่างมียี่สิบอย่างอยู่ในกายนี้อโปมีเท่าไร่มีสิบสองอย่างในกายนี้เตโชมีสี่อย่างวายโอมี 6อย่างยืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันเพราะวายโยนั่นแหละอันจงมาดูขันทโลกนี้ที่วิ จ, จ, ว จ, ว จ, จิตด้วยเครื่องประดับมีผ้าเป็นต้นเหมือนราชรถอันวิจิตด้วยเครื่องประดับมีแก้วเจ็ดประการเป็นต้นันนอันเนี้ยที่ประดับประดาตกแต่งราชรถเนี้ยที่เหมือนกับราชรถเลยข้างในกับข้างนอกเนี่ย ก็บอกว่าที่พวกคนเข่าเท่านั้นเนี่ยหมกอยู่ในอัตภาพใดแต่สำหรับผู้รู้คือบัณฑิตทั้งหลายหามีความค้องในกิเลสเครื่องข้องคือราคะเป็นต้นแม้อย่างหนึ่งในอัตภาพนั้นไม่นะหรือถ้าบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาไม่มีราคะให้มากข้องในในกายนี้หรอกมนอัตาภาพนี้ในขันธโลกนี้หรอกอ่ะคว่าเครื่องค้องเป็นชื่อของโลภะก็เป็นเครื่องข้อง โทสะก็เป็นเครื่องข้องโมหะก็เป็นเครื่องข้องทิฏฐิก็เป็นเครื่องข้องนั่นแหละนะมานะก็เป็นเครื่องข้องเพราะฉะนั้นผู้ที่ผู้รู้ท่านก็ไม่ข้องอยู่ในสิ่งเหล่านี้ที่ข้องก็เพราะไม่รู้จริงในขันธโลกเหล่านี้แต่ถ้ารู้จริงในขันธ์โลกนี้จะไม่ข้องด้วยอํานาจของโลภะโทสะโมหะเลย ถ้ารู้ความจริงอ่ะนะถ้ารู้ความจริงก็ทิ้งความหลงได้ถ้าสว่างก็ละความมืดได้ถ้าเห็นโดยความเป็นขันห้าก็ละอัตตาได้นะถ้าเห็นโดยความเป็นขันห้าก็ละอัตตาได้ถ้าเห็นเห็นเห็นปัจจัยละอะไรละความสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ละความสงสัยในวัต ถ, ถุแปลกประหลาดได้ละความสงสัยในภพชาติได้นะถ้ารู้ปัจจัยจริงๆ ถ้าเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละอะไรได้เห็นความไม่เที่ยงก็ละนิจจะสัญญาได้เห็นความเป็นทุกข์ก็ละสุขสัญญาได้ถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตก็ละอัตตะสัญญาได้นะแค่นี้ววถ้าหากว่าเห็นโดยความเบือ่อหน่ายก็ล ะ, น, น, ล ะ, น, น, ละนันทีละนันทีละนันทิได้ถ้าเห็นความดับละอะไรได้ละสมุไทยได้ ถ้าคลายกำหนัดก็ละราคาได้ถ้าสละคืนก็ละการการยึดถือเอาไว้ได้นั่นแหละท่านจะต้องรู้จักเข้าจริงๆนะถ้ารู้จักจริงๆแล้วจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นะอย่างความคิดเหล่านี้นะเคยเห็นความคิดเหล่านี้เหมือนมายากลหมอันนะ้ที่จริงนะที่เรานั่งฟังฟังอยู่นีคิดเอาทั้งนั้นแหละความคิดเหล่านี้เป็นเหมือนกับมายากล พอมีเห็นมีปัจจัยกุศลก็เกิดใช่ไหมหมดเหตุปัจจัยปับ๊บไปอีกแล้วติดหลก็่าไม่รู้ก่อภพก่อชาติเรื่อยๆบางท่านก็เลยบอกว่าปล่อยจิตให้ไปก่อพบก่อชาติมากมายมหาศาลไปยินดีในสิ่งหนึ่งก่อภพอีกพบนึงยินดีอีกสิ่งหนึ่งก่อภพอีกภพหนึง่งอันกรรมมันเลยวิจิตมากมายอยู่อย่างนี้กร ร, รนนนกรรมวิจิตเพราะตัณหาวิจิตนั่นแหละกรรมวิจิตเพราะตัณหาวิจิต ปัญหาวิจิตเพราะสัญญาวิจิตข้อมูลความสำคัญหมายแตกต่างกันสัญญาวิจิตเพราะอะไรไเพราะจิตมันวิจิตความผู้ <c oughs> ที่มีทิฏฐินะครับหลังจากพบพุทธเจ้าครั้งแรกแล้วนะครับอาจนมั่นใจว่าเป็นเพื่อนขณะนี้มีศรัทธาในพุทธองค์ใช่นึกเปล่าครับ น, นี่ข้อที่หนึ่งนะครับเจนพานข้อที่สองหลังจากที่ได้ฟังเทศนาจากพระองค์แล้วมีความเชื่อและมั่นใจเห็นผลของกรรมนะครับอันนี้เป็นสมาธิทีใช่หรือเปล่าครับเจนพานคือที่พราหมณ์คนนี้เนี่ยในขณะที่ที่จริงแล้วตรงนี้ท่านเอามาย่อๆอะนะน่าจะมีตรัสเรื่องอื่นด้วยแต่ตรงนี้มุ่งแสดงคาถาธรรมบทเป็นหลักนั่หลนะ อันก็จะเอาเฉพาะส่วนใจความสําคัญนั้นจุดที่ประกาศอริยสัจตรงนั้นมาเท่านั้นเองซึ่งก่อนหน้านั้นพระองค์ก็ตรัสเรื่องอื่นๆก่อนหน้านั้นแล้วนะอย่าง น, น้อยๆที่สุดต้องมีชาดกหรือมีอะไรสักเรื่องหนึ่งขึ้นมา<อ>เพื่อที่จะละคลายความโศกละคลายอะไรก่อนคือไม่ได้ไว่าอยู่ๆก็ตรัสอย่างนี้ไปเลยนั่นแหละอันกรรมสกกตาศรัทธาเป็นต้นนั้นการกล่าวถึงชาดกนั่นแหละคือการประกาศกรรมสกตา ใช่ไหมดงั้นว่าพบในอดีตมีนะนั่นแหละที่เป็นลักษณะนี้ก็มีถ้ายังละแบบนี้ไม่ได้พบต่อไปก็ยังเป็นแบบนี้นั้นกรรมสกตาก็เกิดแล้วทีนี้พบเหล่านั้นจะเป็นไปก็แล้วแต่อํานาจของเจตนาเหล่านี้แหละจะไปอยู่ในพบไหนจะไปอยู่ในพบที่พร่าพรากจากวัตถุกรรมก็อยู่ในกรรมมพบถ้าอยู่ในกรรมมพบอย่างไรก็ต้องพร่าพรากจาก วัตถุกรารมแน่นอนไม่เหมือนพรหมเนี่ยพรหมเนี่ยไปอยู่เนี่ยแสนสมมติว่าหนึ่งมหากัมเนี่ยท่านไม่พลดพลาดเลยนะรูปเสียงรูปเสียงแบบแบบพรหมเนี่ยในพรห ม, มโลกจะไม่มีการพัดพลาดพรหมเนี่ยไม่คิดจะขโมยเพชรกันก็บอกว่าพรหมบางท่านนะบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเพชรเท่าภูเขาสิรีรุบูชาพระพุทธเจ้าอ่ะแต่พรหมเนี่ยไม่ยินดีในพวกกรียะว่าวัตถุกรรมแบบกิเลสทั่วไป เพราะฉะนั้นเนี่ยทรัพย์สินของท่านมีมากมายมหาศาลท่านก็ไม่ได้ยินดีอะไรเพราะพรมโลกแลี่จึงไม่มีการสูญเสียของเป็นที่รักแล้วพรมไม่มีโสโลโทสะใช่ไหมพรมโลกไม่มีโทสะคือเรียกว่าเป็นภูมิที่ละโทสะได้โดยแปลกว่าภพนั้นไม่มีใครไปอยู่ในภพนั้นไม่โกรธใครที่ไปเกิดในภพนั้นเนี่ยถึงมีอายุ ข, ขนาดไหนก็าตามจะไม่โกรธใครทําอะไรให้ยังไงก็ไม่โกรธเขาด่าพรมก็ยังไม่โกรธ นั่นแหะเขรกว่าละด้วยอำนาจของภพละด้วยอำนาจของภพภพ บ, บางอย่างไปอยู่บางแห่งเนี่ยไม่โกรธก็เหมือนกับเราไปอยู่บางแห่งไม่รู้สึกหิวเลยะ <c oughs> อ่าก็ไปบางบางสถานที่นะไปแล้วไม่รู้สึกหิวก็มี อ, อาจจะมีอ่นะคล้ายๆเล่าเล่าลักษณะเนี่ยน ะ, ะไปดูอะไรสักอย่างเพลินเลยอะ่ะความหิวไม่เกิดเลยภพนั้นก็เหมือนกันถึงอถึงได้ปัจจัยอย่างไรก็ตามอยู่ที่นั่นจกไม่โกรธ ถ้าเป็นพรหมอะนะเป็นพรหมเนี่ยยังไงก็ไม่โกรธแต่ถ้าจุติมาจากพรหมแล้วมาเกิดในภพใดภพหนึ่งก็มีโทสะแต่ว่าด้วยอํานาจของการปฏิสนธิในภพนั้นจะไม่มีโทสะอั้นโทสะเหล่านี้เนี่ยละได้ด้วยอย่างนี้เรียกว่าละด้วยวิขำธนะปะหานะนั่นแหละอันของเราถ้าจะละบาปอากุศลเหล่านี้ได้ก็ต้องศึกษาเรื่องของกรรมให้ชัดเจนที่สุด ่ถ้าชัดเจนในเรื่องกรรมมากมายขนาดไหนจะจะเห็นโทษของวัตตะเท่านั้นถ้าเห็นโทษของวัตตะนะปัญญาจึงจะอนุโลมเข้าอริยสัจถ้าหากว่าไม่เห็นโทษของสังสารวัฏนะปัญญาจะไม่อนุโลมเพื่อรู้อริยสัจหรอกนั่นแหละอันในชั้นต้นรู้เรื่องกรรมให้ดีแล้วก็ศึกษาเรื่องวัตตะให้ดีเสร็จ แ, แล้วก็จะรู้ว่าวัตตะเหล่านี้เนี่ยตรมมวัตก็ เกิดด้วยปัใจจัยใช่ไหมเมื่อการรมวัฏเกิดด้วยปัจจัยกามวัฏก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายใช่ไหมวิปากวตฏก็เกิดด้วยปัจจัยวิปากวัฏก็เลยเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายด้วยเหมือนกันฉั้นกิเลสวรรสัฏซึ่งเป็นความยินดีเนี่ยเป็นพิษของวัตาทั้งหลายเหล่านี้ฉั้นสิ่งนั้นไม่ต้องกล่าวเลยว่าน่าเบื่อหน่ายขนาดไหนเห็นโทษของบาปของอกุศลฉั้นถ้ายิ่งเห็นโทษของบาปมากขนาดไหนจิตที่ยินดีโทษ จิตที่ยินดีจิตที่เห็นโทษบาปอันนั้นนั่นแหละเป็นตัวชําระบาปในตัวนั้นวิธีล้างบาปในในธรรมวินัยนี้ล้างบาป ด, ด้วยการเห็นโทษ ค, คนที่จะเห็นโทษในสิ่งนั้นนั้นต้องรู้จักสิ่งนั้นเป็นอย่างดีนั้นการล้างบาปคือการเห็นโทษในสิ่งนั้นนั้นเพราะความยินดีเป็นบาปใช่ไหมถ้าจะละคลายความยินดีได้ต้องเห็ น, เ, นเห็นโทษจึงจะละคลายความ เลิดเพลินได้อันขอให้ท่านทั้งหลายพ้นจากความเลิดเพลินได้นะก็วิเศษแล้ว